ในเช้าวันนี้นั้นก็ขอให้พระภิกษุสษงฆ์สามเณรแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งใจสร้างความเพียรตงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทำหน้าที่ของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดเท่าความ ส, สามารถเท่าสติปัญญาที่เราเพึงจะกระทำได้ก็ขอให้จงตั้งใจค่อยๆหลับตาแล้วค่อยๆดูลมหายใจ เมื่อที่พร้อมจะทำสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาเสียงที่ได้ยินอาจจะพอใจบ้างหรือไม่พอใจบ้างอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างอาจจะชอบใจบ้างหรือไม่ชอบใจบ้างแต่ให้เรากำหนดดูว่ามันก็คือเสียง มันจะไปก่อความลำคาญหรือว่าจะไปทำให้ใจเรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจก็ให้เรารู้ในเสียงที่เราได้ยินในสิ่งที่เราได้สัมผัสต่างๆเราถึงจะตามทันในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขณะเนี่ยบางครั้งเราตามมันไม่ทัน เรารู้มันไม่ทันเมื่อเราตามไม่ทันเรารู้ไม่ทันเนี่ยทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นภายในใจเราทั้งอารมณ์ทั้งความคิดทั้งความรู้สึกมันก็เริ่มทํางานจิตมันก็เริ่มปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นในเช้า ว, วันนี้ก็ขอให้ทุกคนต้งตั้งใจ ว่าสิ่งที่เรากําลังทำอยู่เนี่ยมันคือการเกิดการเกิดใหม่ของเราทุกวันทุกวันการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับชีวิตตัวเองทุกวันทุกวันว่าวันนี้เราไล่เริ่มต้นชีวิตเราตั้งแต่เช้านี้เนี่ยเราเริ่มต้นชีวิตเรามาดีแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งดีๆทั้งวัน เกิดขึ้นภายในกายเราเกิดขึ้นภายในใจเราองค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไวอย่างนั้นและได้ตัดต่อไปอีกว่า ร่างกายของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนลังของโลกลังของโลกในที่นี้หมายถึงอะไรก็ให้ทุกคนนั่งพิจารณาไปลังของโลกในที่นี้เปรียบเสมือนที่อยู่เปรียบเสมือนที่อาศัยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบร่างกายของคนไว้ว่าทำไมเปรียบเสมือนเป็นลังของโลก ทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ทุกคนต่างใช้ชีวิตในโลกใบนี้แต่ไม่ใช่โลกใบเดียวมันมีสองโลกที่เราต้องเข้าใจมันมีอยู่สองโลกที่เราต้องควรรู้โลกใบที่หนึ่งคือโลกอะไร โลกใบที่หนึ่งคือโลกที่เราอาศัยโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคือโลกโลกที่เราอาศัยอยู่โลกที่เราอาศัยอยู่แต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเราสามารถทำอะไรให้กับโลกนี้ได้บ้างเราสามารถทำอะไรให้กับตัวเราเองได้บ้าง เราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างเราสามารถทำอะไรให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้บ้างก็ให้นั่งพิจารณาไปอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้นถ้าเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยเราจะไม่เข้าใจตัวเองเลยเราอย่ามัวแต่คอยจับจ้องผู้อื่นอย่ามัวแต่คอยจับปิดผู้อื่น เพราะสิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นภายในใจเราเกิดขึ้นภายในความคิดเราเนี่ยความคิดเราก็จะเสื่อมโทรมร่างกายเราก็จะเสื่อมเสียไปในที่สุดมันหาดีอะไรไม่ได้เลยเพราะใจเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับผู้อื่นเลยเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับโลกที่เราได้อยู่อาศัยเลยเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยนี่คือโลกใบที่หนึ่งที่เราได้อยู่ที่เราได้อาศัยโลกใบนี้แล้วโลกใบที่สองคือโลกอะไรโลกใบที่สองคือโลกที่อยู่ในร่างกายเราโลกนี้อาศัยเราอยู่เราไม่ได้อาศัยโลกนี้อยู่โลกนี้มันก็อาศัยกายเราอยู่ภายในกายเราเนี่ย ให้ทุกคนพิจารณาไปวัวกายของคนเนี่ยมีกี่โลกกลายของคนเนี่ยมีสารพัดโลกเลยจนนับเทบจะไม่ท้วนจนจําเทพจะไม่หมดแล้วถ้าโลกที่อยู่ภายในกายเราเนี่ยเรารู้ไม่เท่าทันมันเมื่อมันอาศัยเรานานเข้านานเข้ า, น า, น เ, ขาเมื่อถึงเวลาโลกนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเรา โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโดยที่เราไม่ได้พิจารณาเลยว่าต่อไปกายเราสังขารเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างกับสังขารเราบ้างสังขารเราทั้งสังขารร่างกายเราทั้งร่างกายเนี่ยไม่ไมีอะไรดีสักอย่างเดียวแต่เราก็มัวหลงเราโมยึดติดอยู่ว่าไกายนี้มันเป็นของเรา แต่แท้ที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าในทางพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่กายนี้ไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เราไปยึดเองเราคิดว่ากายนี้เนี่ยเป็นของเราเราคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือตัวตนของเรา เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเองเนี่ยมาจากไหนเราก็ยังไม่รู้มาจากบนฟ้าหรือมาจากบนดินหรือมาจากใต้ทะเลใต้ท้องบาดาลเราก็ไม่รู้หรือมาจากพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้ชาติหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้จิตใจที่ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเรามาจากไหน ไม่มีใครสามารถรู้ตัวเองได้เลยตั้งแต่การที่เราได้มาเกิดเป็นคนแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเรามาได้ยังไงเราคิดว่ามาจากพ่อจากแม่มันก็ไม่ใช่เพราะการเกิดบนโลกใบนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีเหตุและปัจจัยถึงทำให้เกิดแต่ไม่ใช่เหตุที่พ่อและแม่ สมสู่ด้วยกันถึงเกิดมาเป็นเราไม่ใช่เพราะมีดวงจิตดวงหนึ่งที่จุติมาลงในครันแม่เราทำให้แม่ตั้งท้องแล้วก็เกิดขึ้นมาแต่ดวงจิตดวงนั้นเนี่ยไม่รู้มาจากทิศไหนอาจจะไม่รู้มาจากประเทศไหนด้วยซ้ำไปอาจจะยังไม่รู้เลยมาจากภพภูมิไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากขุมนรกก็ได้ก็ยังไม่รู้ เพราะนั้นในการเกิดเมื่อเราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์แล้วเรายัางไม่รู้ตัวเองเลยเรายัางไม่รู้ที่ไปที่มาของตัวเองแล้วเราจะเข้าใจตัวเองได้อย่างไรถึงบอกว่าร่างกายของคนเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเดียวแต่เราคิดว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ คงอยู่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนแต่แท้ที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เพราะเราคิดไปเองเราปรุงแต่งไปเองเรารู้สึกไปเองว่ากายนี้เนี่ยมันต้องมีความเจริญเติบโตขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันแต่เราไม่ได้พิจารณาอีกมุมหนึ่งความเจริญเติบโตเนี่ยมันกําลังพากายเราพาสังขารเราไปถูกความ แก่ความเจ็บและก็ความตายในที่สุดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในกายผู้ประพิปฏิบัติทั้งหลายถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีๆไม่พิจารณาอยู่เป็นหนึ่งนิดไม่พิจารณาอยู่เป็นหนึ่งเนืองเราก็จะไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่รู้ตัวเองเลย คนเมื่อไม่รู้ตัวเองจะเข้าใจตัวเองได้อย่างไรเราลองพิจารณาซิว่าตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยแล้นเราจะไปรู้ในตัวคนอื่นได้อย่างไรเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าสังขาร น, นี้ร่างกายนี้มีส่วนไหนที่มันดีบ้างสิ่งที่มันดีเนี่ยมันจะดีได้แค่ไหนและสิ่งที่มันต้องเสียเนี่ย คับสิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งไหนมันจะมากกว่ากันแม้กระทั่งชีวิตการเป็นอยู่เราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ความเสื่อมโทรมมีแต่ความเสื่อมเสียกายก็เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันทุกวันใจก็มีแต่ความเสื่อมเสียลงทุกวันทุกวันเพราะว่าสภาพร่างกายเราแย่ เมื่อสภาพร่างกายแว่จิตใจเราก็แย่ตามจึงทำให้ใจเรามันเสื่อมเสียลงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นถึงจะคิดออกถึงจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราลองนั่งพิจารณาไปตั้งแต่หัวว่ยไม่กระตั้งหัวเราถึงคอเนี่ย สารพัดโลกเลยที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราลองคิดดูดิเฉพาะหัวเราเนี่ยโลกอะไรที่มันอาศัยอยู่บ้างทั้งไมเกรนก็มีทั้งโลกหน้ามืดก็มีโลกวูกก็มีเส้นเลือดแตกในสมองก็มี เราลองคิดดูเรียนโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยแต่เรารู้ไม่ทันมันเรามองไม่เห็นมันว่าร่างกายเราเนี่ยมีเจ็ดโลกร่างกายเราไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งอย่างที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกว่าเป็นหลังของโลกเป็นที่อยู่อาศัยของโลกทั้งสิน้นทั้งปวงเลยทั้งร่างกายไม่มีอะไรดีเลยแม้กระทั่งหูสองข้างก็เช่นเดียวกัน อาจจะมีหูหนวกบ้างเราลองคิดที่อาจจะแก้วหูอักเสบบ้างอาจจะหูหนวกบ้างแล้วเราลองคิดว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยภายในร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยแต่คราวนี้พอเรา ไม่ได้พิจารณาถ้าเราไม่รู้จักมองตัวเองเราก็จะไม่เข้าใจเลยแม้กระทั่งตาเราก็สองข้างก็มีเต็ดโลกทับวันอายุเรามากเข้ามากเข้าตาก็เริ่มฟ้าเริ่มฟางตามมว ตาลายมองไม่เห็นเป็นต้อกระจกบ้างตาเป็นฝ้าบ้างต้องไปลอกบ้างต้องไปดึงบ้างสาราพัดที่มันจะเกิดโรคอยู่กับกายเราเนี้ยเราพิจารณาเห็นหรือเปล่าแม้กระทั่งจมูกก็แย่นเดียวกันโรคมันก็เข้าไปอาศัยในโพรงจมกูกทั้งสองข้างเราลองคิดดู อาจจะเป็นไซนัสก็ได้ภูมิแพ้ ก, ก็ได้เยื่อจมูกอักเสบก็เป็นไปได้โรคทั้งนั้นเลยที่มันอาศัยเราอยู่แม้กระทั่งปากก็เช่นเดียวกันอาจจะมีเป็นโรคปากเปื่อยปากนกกระจอกอาจจะมีเป็นมะเร็งในปากอีกก็มีแล้วลองคิดดูดิ นี่เฉพาะแค่ส่วนคอแค่ส่วนหัวไปตั้งกี่โลกและแล้วเราได้พิจารณากันหรือเปล่าเราได้พิจารณากันหรื อ, อยังวันโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วลงไปถึงคิดดูกระเพาะบั่งลำไส้บั้งปอดบั้งหัวใจบัางแล้วเราลองคิดดูว่ามันจะเกิด อะไรกับร่างกายที่เราคิดว่ามันเป็นของเราบ้างแม้กระทั่งโรคปอดเนี่ยเดี๋ยวก็ปอดชื้นบ้างปอดบวมบ้างปอดอักเสบบ้างปอดเป็นมะเร็งบ้างสารพัดโรคที่มันอาศัยอยู่เราลองคิดดูแล้วไปหัวใจอีกเราลองพิจารณาไปสิที่หัวใจเราเนี่ย บางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจห่อเหี่ยวก็มีเขาเรียกว่าโรคอะไรไม เ, รเลนโคลเลียอะไรสักอย่างเนี่ยโรคหัวใจห่อเหี่ยวกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนล้าหัวใจพิการก็มีหัวใจโตก็มีสารพัด ท, ที่มันอาศัยเราอยู่แต่เราไม่ได้พิจารณาไปโรคลำไส้อีกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบ แล้วลองคิดดูเนี่ยไปถึงกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะอีกกระเพาะอักเสกบกระเพาะเป็นแผลเป็นกดในกระเพาะโอ้โรคเยอะแยะไปหมดไปถึงไตอีกแล้วลองลองคิดดูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในกายเราเนี่ย ไอ้โลกที่มันอาศัยเราเนี่ยไปถึงนู่นเลยไปถึงลูทวารเลยเป็นฤทธิสีดวงบังแล้วลองคิดดูดิส่วนผู้หญิงก็เป็นมะเร็งปากมดลูกบ้างตกขาวตกรู ด, ดูดีส่านเป็นสารพัดเป็นโดยที่เราไม่ได้พิจารณาพิจารณาเห็นโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ย อันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้พิจารณาอยู่เป็นหนึ่งนิดไม่ได้พิจารณาอยู่เป็นประจำเราจะรู้ทันโลกที่มานาใสเราอยู่ได้อย่างไรเมื่อเรารู้ไม่ทันในโลกที่มานาใสเราอยู่เนี่ยเราก็จะดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นโลกนี้เราเป็นโลกนั้น โลกนี้กำลังเข้ามาเยือนเราโลกนี้กำลังเข้ามาลุ่มแล้วในชีวิตเราในกายเราเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราจะหาวิธีป้องกันได้เราหาวิธีแก้ได้หาวิธีรักษาได้แต่เราจะแก้อย่างไงก็แก้ไม่หายเราจะรักษายัางไงก็รักษาไม่หายแม้กระทั่งกายของเราเองเราก็รักษาไม่ได้ เมมันถึงเวลาในที่สุดเนี่ยกายเราก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมธาตุทั้งสีก็แตกสลายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันก็จะดับแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดคืนกลับสู่สภาพเดิมแล้วเราลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยชีวิตของเรา แต่เราก็คิดเอานึกเอาสมมุติเอาว่าชีวิตเราดีเหลือเกินแล้วเราคิดว่าชีวิตเราดีมากพอแล้วสิ่งที่เราพึงจะกระทําได้ในขณะนี้เนี่ยคือความตั้งใจมั่นความยึดมั่นความศรัทธาในองค์สมมาสัมพุทธเจ้าความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้า เราศรัทธายัางไงเราเลื่อมใสยังไงเราตั้งใจปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถ้าเราคิดไม่ได้เมื่อเรายัางนึกไม่ออกในสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เนี่ย เราทำไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไปก็ไม่ได้อะไรเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเหมือนกับทำลายตัวเองไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวใจเราปล่อยหรื อ, อยังใจเราวางหรื อ, อยังหรือว่าใจเรายังคิดอยู่ใจเรายังมีอคติอยู่ใจเรายังมีความรู้สึกฟุ้งซ่านอยู่ใจเรา ไม่มีความสงบเลยเรายัางเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมองไปที่ใจเราให้มากที่สุดมองไปที่ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมองได้เราลองใช้ใชความพยายามของตัวเองเนี่ยมองตัวเองให้มากเหมือนกับที่เรามองคนอื่นเราพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากที่สุด ให้เท่ากับที่เราพยายามทำความเข้าใจกับคนอื่นเราก็ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดเท่ากับเราใช้ความพยายามรักคนอื่นเราลองพิจารณาดูสิว่าเราได้คิดหรือเปล่าเราได้พิจารณาหรือเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเรา สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายภายในกายและใจแต่อยู่ที่ผู้ประฏิบัติอีกว่าเราจะคิดได้หรือเปล่าเราจะคิดได้หรื อ, อยังเราจะรู้ได้หรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้หรื อ, อยังเราจะพอได้หรือเปล่าแล้วเราจะพอได้หรื อ, อยังลองถามไปที่ใจตัวเองดูลองถามบ่อย ลองคิดบ่อยๆพยายามตามดูใจตัวเองบ่อยๆเรารู้ตัวเราอยู่แล้วเรารู้ตัวเราแต่เราไม่เข้าใจตัวเราเราประพฤติปฏิบัติได้เราทำได้บางครั้งเราทำได้บ้างบางครั้งเราทำไม่ได้บัางบางครั้งเราทำได้ดีบางครั้งเราทำไม่ได้ดี บางครั้งเราทำแล้วเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจว่าเรามีความสุขบางครั้งเราทำแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจเราว่าเรามีความทุกข์แต่ผู้ประพปฏิบัติต้องทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้ทันก็พอให้เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็พอ แต่ก็ไม่ได้พอแค่นั้นเราต้องตามดูอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังคิดอะไรอยู่ให้รู้ตัวเองเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยแล้วเราลองคิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเองบ้าง สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในกายและภายในใจเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยภายในกายเนี่ยเท่าที่ได้พูดไปทุกโลกที่มันอาศัยเราอยู่ภายในกายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับโลกหนึ่งที่มันเข้ามาอยู่ในกายเราแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตเราพลาด ท, ทาให้ชีวิตเราผิด ทำให้ชีวิตเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ชีวิตลบพังไอ้โลกเนี่ยน่ากลัวกว่าทุกโลกที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเลยโลกนี้คือโลกอะไรโลกนี้คือโลกขี้เกียจนั่นเองเมื่อเราขี้เกียจปุ๊บเนี่ยมันก็ทาลายชีวิตเรามันทาลายใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใจเรามีความรู้สึกก่อน ใจเราคิดก่อนพอใจเราคิดพอใจเรารู้สึกปุ๊บมันก็ไปทำลายกายของเรามันไปทำลายกายโดยเราไม่รู้ตัวเลยเพราะเราขี้เกียจเราไม่อยากทำเราไม่อยากไปเราไม่อยากยุ่งเราไม่อยากตื่นเราไม่อยากนอนเราไม่อยากพูดเราไม่อยากคิด ไอ้โลกเนี่ยน่ากลัวไอ้โลกขี้เกียจที่หนน่ากลัวเมื่อโลกขี้เกียจนี่มันเกิดขึ้นภายในกายเราเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดับชีวิตเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันจะ หยุดชีวิตเราลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไอ้โรคขี้เกียจเนี่ยมันจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายเรามันจะหยุดขาเราไม่ให้เดินมันจะหยุดแขนเราไม่ให้ขยับมันจะหยุดกายเราไม่ให้ไปไหนไอ้โรคขี้เกียจเนี่ยมันจะให้กายหยุดอยูท่ที่มันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย แต่เราไม่เข้าใจหวัยความสุขความสบายเนี่ยมันทำลายชีวิตเรามานักต่อนักแล้วมันทำลายเราชีวิตมามากมายเท่าไหร่แล้วที่เรารู้ไม่เท่าทันมันเมื่อโลคขี้เกียจมันเกิดขึ้นภายในกายเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้โลคขี้เกียจเนี่ยมันตายไป เราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆและพยายามรู้ให้เจ้าทันตัวเองบ่อยๆและในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะประพฤติปฏิบัติได้ดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ต้องมองไปต้องมองต้องพิจารณาไปว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในกายเราบ้าง อะไรที่เกิดขึ้นภายในใจเราบางังให้เห็นเหตุที่มันเกิดแล้วให้เห็นผลที่มันเกิดต้องรู้เหตุและรู้ผลถ้าเราไม่รู้เหตุที่เกิดเราก็ไม่เข้าใจผลที่มันตามมาเมื่อเราไม่เข้าใจผลที่มันตามมาปุ๊บเนี่ยเราขาดสติปัญญาด้วยแล้วเราก็จะคิดอะไรไม่ออก เราก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าเรามีสติปัญญาดีคนที่มีสติปัญญาดีเนี่ยคิดได้ทำได้แต่ถ้าคนมีแต่สติแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยได้แต่คิดแต่ทำไม่ได้บางคนก็ได้แต่พูดแต่ไม่ทำบางคนก็ได้แต่ทาแต่ไม่พูดบางคนก็ได้แต่คิด แต่ไม่ทำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราอารมณ์เหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเราตามทันไหมเรารู้ทันมันไหมถ้าเราตามมันไม่ทันรู้มันไม่ทันเนี่ยมันมีแต่ทําลายร่างกายเราทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมีแต่ทําลายใจเราทุกวันทุกวันทุกวัน โดยที่ทำให้สภาพจิตใจเราแย่ลงแย่ลงทำให้ร่างกายเราเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยไอ้โลกสองโลกที่เราได้อาศัยอยู่เลนโลกที่มันอาศัยเราอยู่เนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าสองโลกเนี่ย เราจะหนีมันได้ไหมเราหนีไม่ได้เราจะหนีมันพ้นไหมเราก็หนีไม่พ้นสุดท้ายไอ้โลกที่เราอาศัยมันอยู่และโลกที่อาศัยเราอยู่เนี่ยมันก็พาชีวิตเราไปสู่ความตายในที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถดึงชีวิตไว้ได้ ต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อความตายไว้ได้ต่อให้เรามีบุญมากแค่ไหนต่อให้เรามีบารามีมากแค่ไหนต่อให้เรามีสติปัญญา ม, มากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อความตายไว้ได้ไม่สามารถดึงความตายไว้ได้แต่สิ่งที่เราจะทําให้มันตายก่อนตายเนี่ยเราลองพิจารณาดิว่ามันคืออะไรไอ้ความ จริงทุกประการที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายอมรับกับมันได้ไหมใจเราที่คิดไม่ดีเนี่ยเราทำให้มันตายไปได้ไหมกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราทำให้มันตายได้ไหมความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นใน ใ, นใจเนี่ยเราฆ่ามันทุกวันให้มันตายได้ไหมเนี่ยเราต้องทำให้มันตายก่อนที่เราจะตาย ถ้าเราไม่ฆ่าให้มันตายก่อนเราเนี่ยเราต้องตายก่อนมันเนี่ยมันน่ากลัวนะไอ้ทั้งกิเลสทั้งความโลภความโกรธความหลงทั้งจิตใจที่เป็นอกุศลที่จิตใจที่เป็นอคติเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายก่อนมันก็จะมาฆ่าเรามันก็จะมาทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าระหว่างโลกสองโลกเนี่ยไม่มีโลกไหนไม่มีโลกใบไหนดีสําหรับกายเราเลยไม่มีโลกไปไหนที่ดีสําหรับใจเราเลย mm hmm. ก็ให้ผูป้ปฏิบัติได้ไปพิจารณา มองให้เห็นความเป็นจริงมองให้เห็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นภายในกายที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะเข้าใจว่า ที่แท้จริงแล้วกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราจริงๆถ้ากายนี้เป็นของเราจริงเราต้องดึงมันไว้ได้ต้องฉุดมันไว้อยู่แต่นี้เราดึงไม่ได้เลยให้เรามีความสามารถแค่ไหนให้เรามีกำลังซับมากแค่ไหนให้มีบริวารมีญาติพี่น้องมากแค่ไหนก็ไม่สามารถฉุดลังร่างกายเราองนี้ไว้ได้สุดท้าย เราก็ต้องดับไปในที่สุดเพราะนั้นตายก่อนตายเนี่ยเราทำยังไงเราก็ได้รู้เราก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้มองให้เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปตามวัฏจะกก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่มันเกิดขึ้นภายในกายและใจเรานั่นเอง ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ให้ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กดน้ำพร้อมพระพิสุสงอีกครั้งหนึ่ง